ขอบูชาพุญญาบารมีปราบแทบเทา้าพระมงคลเทพโมนีลูกหลานสดธุดีในพระคุณมากอนันเดินธรรมมัยาตรากตันอยู่บูชาพระผู้ปราบมา สวายด้วยใจใสพิสุทธิ์ ท้องใจสุสกล้นรือ